ปุถุธรรมะ่งอยคนบางคนก็อาจจะเบื่อพรฟังอยู่บ่อยเร่องของธรรมะคนจิตมีจิตใจทางธรรมะกอเอ่ยธรรมะสื่นยอมเบื่อแต่คนจิตนี้จิตใจเป็นธรรมะ การศึกษาธรรมะการฟังธรรมะหรือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งอย่างพระพุทธเจ้าเองก็เคยทรงฟังธรรมะจากสาวกเห็นพระองค์ป่วยนนิมลละมาปูดธรรมะเป็นสัมโมลพระนิยักัจา ให้การฟังเป็นตัวอย่างธรรมะเป็นเรื่องจําเป็นต่อชีวิตของมนุษย์อย่างไรนั้น <c oughs> ถ้าหะกไม่ใส่คิดที่เจรนาแล้วก็ไม่ทราบว่าวธรรมะมันเป็นเรื่องจําเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างไรถ้าที่เจรนาแล้ว ธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่งมนุษย์ที่มีธรรมะอยู่ในกายหัางกาใจของเขามนุษย์คนนั้นจะมีความสุขความสบายในตัวของเขาตลอดถึงปู่เกียขอ้อแต่ถ้ามนุษย์ขาดธรรมะตัวของเขาเองก็ว่าร ไม่มีความสุขความสบายตำหนินินคาตัวของตัวได้ส่วนผู้เกี่ยวข้องก็ได้รับความยุ่งเหยิงลำบากเพราะผู้ใหญ่หรือพระพวก่วนขูงไม่มีธรรมะในกายในใจฉะนั้นธรรมะจึงจำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ทุกข์ทนหน้าจีะต้องหาธรรมะ มาประดับรักษาธรรมะเป็นเครื่องประดับจะดียิ่งกว่าเครื่องประดับอื่นๆเพราะประดับกับเด็กก็ได้ประดับกับคนหนุ่มคนสาวก็ได้ประดับกับคนเฒ่าคนแก่ก็ดีไม่ล้าสมัยไม่ผิดใครเอาธรรมะไปประดับกายวายาจใจคนนั้น นาเอนดูรักไข่นาเขาโลเปี่ยมใสธรรมะเป็นของประดับที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าเ ง, งินทองเพชรทอยต่างๆดางานั้นจึงมีธรรมะ <c oughs> จึงเป็นผู้ที่ัง่างามในที่ทั่วไปไม่ว่าตั้งแต่มนุษย์แม้แต่สัต ก็เหลียมใสอยู่ในสถานที่ใดทำความเยือกเย็นทำความเป็นสุขให้แกกินนั้นๆเป็นหน้าเคารพหน้าลาวว้าสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคีดีของลูกของหลานต่าเป็นเด็กเป็นเล็กก็เป็นที่รักที่ชอบของพอ่อแม่ ของผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> ธรรมะที่ว่า น, นี้ก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นขันติความอดทนวิริยะความเขียนในหน้าที่การงานเรีย่ยวกับธรรมะหรือจะพูด โดยส่วนรวมแล้วก็คือสีลสมาธิปัญญาเกี่ยว่าธรรมะหาจะพูดไปมากมันก็มากธรรมะมันมีมากจนไม่สามารถที่จะนำมาพูดกันให้ถึถงด้แต่ถึงมากขนาดไหนธรรมะก็ดอนกายสอนใจของมนุษย์ให้ละชั่วบมเพ็ญดี อุติละชั่วออกไปจากตัวบำเพ็ญดีให้มีขึ้นคนนั้นเป็นที่นักถือเป็นที่เหลื่อมใสต่อคนทั่วไปทุกคนที่เขาทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วเขาเองก็เป็นศาสนาในเรื่องชั่วเหมือนกันถ้าหามีคนอื่นมาทำ มาพูดกับเขาเฮ้ยยอมไม่เต็มใจไม่พอใจแต่ที่เขาทำไปเพราะเขาขาดปัญญาที่นิสเจนาถึงเหตุผลจึงยอมทำชั่วผูดชั่วไปดักถ้าเขาคำนึงถึงเหตุผลเห็นตนไม่ชอบเรื่องชั่วอย่างไรเราไปทำ ไปสูดกับคนอื่นสัตว์อื่นคนอื่นสัตว์อื่นเขาไมยอมไม่ยินดีเื่อมใส่เขาอยอมไม่พอใจในการทำการกสิวของตนถ้าหากเขียนเด่นชัดไปจากในจิตในใจจริงจังเขาอยอมไม่ทำไม่พูดมีเขาไม่รู้สิส่วนหาเหตุผลอะไรทำไปเพราะความ โลภความโกรธความหลงทองใจที่มันจะไขัดที่จรณ า, าทำแต่นั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติทางธรรมะจริงๆผู้ที่จางงางงามในสถานที่ทั่วไปจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือฆลาวาคนนั้นก็จะเป็นผู้ังงางงามมีผู้รรเคารพเรื่มใส ชีวิตคือขาดธรรมะมีแต่โลภแต่โกรธแต่โลงไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีความอดกันในหน้าที่การงานโกรธขึ้นมาอย่างไรก็ทําไปตามอําเภอใจที่ทัวโกรธอยากได้อะไรก็ทําไปตามความอยากของใจนี่คือคนขาดธรรมะคนขาดธรรมะ ทำโลกให้วุ่นวายเดือดร้อนทำตนของตนให้ลำบากลำคาญเดี๋ยร้วเชื่อดถือว่าการทำแบบนั้นมันง่ายมันสบายมันได้สะดวกเป็นคนคนที่เป็นตัวอย่างาเขาไม่คำนึงคำนวณถึงว่าคนอื่นเขาจะเจ็บใจเสียใจ และจะเป็นภัยต่อสังคมเขาจึงยินดีทําไปได้เมื่อเขาทาไปแล้วแทนที่เขาจะสุขเขาจะสบายบ้านที่เคยอยู่เคยอาศัยก็อยู่อาศัยไม่ได้เพราะกลัวว่าเจ้าหน้าที่หรือเจ้ของทรัพย์จะมาจับกลุ่มเป็นโทษเป็นทุกข์บ้านที่เคยอยู่เคยอาศัยอยู่อาศัยไม่ได้อาหารที่เคยรับทาน รับทานเลยได้จำเป็นสองวิ่งวุ่นฮะนอนตามป่าตามดงจิตใจหวั่นไหววอกแวกเดี๋ยยินเสียงอะไรเ ข, าข้าก็กลัวเพราะคนขาดธรรมะคนชั่วคนเสียเป็นอย่างนั้นโทดปัจจุบันก็่อจใจเห็นแต่เขาม่ได้ที่นี้ี่เจนาน่ะเขาจึงไม่รักษา เรื่องของธรรมะผู้ที่มีธรรมะอยู่ในตัวแล้วจะไปกินใดก็สะดวกสบายไปสู่สังคมใดก็ไม่มีใครเขาจะรังเกียจ <c oughs> เพราะเป็นผู้ที่มีธรรมะในกายในวาจาในใจธรรมะจินจจำเ็นในชีวิตที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามฐานะหน้าที่ของตน คารวะที่มีธรรมะของคารวะธรรมะของครอบครัวครอบครัวนั้นถึงจะไม่ลำรวยเขาของเงินทองหนังไม้ ก, กายกองอย่างคนอื่นเขาในครอบครัวของเขาก็ตื่กว่าสงบเพราะไม่ทะเลาะวิวาสตื่นกันแลกกัน นี่ความสามารถทีปองรองกัน <C oughs> นี่พูดถึงธรรมะฝ่ายตามฝ่ายโลกธรรมะฝ่ายจิตฝ่ายใจที่จะต้องประพุทธปฏิบัติให้จิตใจคงตนได้รับสัมผัสในอัตธรรมสีพส่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นเดือนจำเป็นอีกหน้นกัน เพราะทุกคนเกิดมาจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความพัาทาาจากของรักของชอบใจทั่วไปไม่มีใครที่จะยึดจะถือเอาไว้ได้ตลอดเวลาเพราะร่างกายนี้ถึงจะมีหยุดยาดีขนาดไหนรักษาโรคภัยต่างๆหายมันก็เกิดอีก ไม่อย่างนั้นคนก็ไห่ตายกันปุถ่มีทรัพย์สมบัติจะต้องย่มเต้นแสวงหาหยุดยาที่มารักษามให้แก่ให้เจ็บให้ตายแต่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดสองพันห้าร้กว่าปีมาแล้วกองทานองเก่าถึงวิชาการของแท่จ ะ, จะเจริญขึ้นขนาดไหนแต่ความแก่ความเจ็บความตาย มันก็ยังลดหน้าเรื่อยไปไล่ไม่ทันโรคอันนี้หายโรคใหม่เกิดมามันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดระยะเวลาเพราะความแก่ความเจ็บความตายเป็นอริยสัจคือเป็นของจริงที่พระพุทดธดเจ้าเรงรู้ทรงเห็นแก่ไม่ตกเรื่องเหล่านี้มันจะต้อง เป็นไปอย่างนี้ตลอดกาลผู้ที่บำเพ็ญธรรมะปฏิบัติธรรมะจะมีปัญญาทรบาบตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วพอมมีจิตใจหวั่นไหวเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกคนจะไปสู่จุดเดียวกันคือความตายจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเควะว่าเป็นคนจนคนรวยก่ทํานองเดียวกันสิ่งที่แล้วเยอดมั่น การแสวงหาในนาที่ของเรานั้นเกาะเป็นเรื่องสาคัญอันหนึ่งถ้าไม่มีอยู่มีอาศัยมีอยากมีกินก็ลำบากท้านี้มาแล้วเราหึงเราเหวงจนเกินขอบเขตถือว่าของของเราไม่อยากจะให้ของนั้น ยี่บาดสิบหายแต่มันก็รักษาไม่ได้ถึงการถึงเวลาเป็นตัวแ่าภัยธรรมชาติน้ำท่วมหรือไฟไหม้หรือลมโจนเป็นต้นมันเกิดขึ้นได้จึงรักษาเรื่องเหล่านี้ยาเมื่อเราทราบความเป็นจริงของมันมาเรื่งเหล่านี้ เราหาไม่ได้นั่นก่อหายไ่ได้เหมือนกันในวันใดกวันหนึ่งเราสราบอยู่ในจิตได้ใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่เสียใจรืนแรงเพราะเราสราบอยู่แล้วความเป็นไปของมันมันจริงอยู่อย่างนั้นหนึ่งใจสุนีในธรรมะไม่หองไหลไม่ยึดถือจนเกิดเหตุเกิดผล คนที่มีธรรมะจึงลำบากการฝึกธรรมะคือฝึกอบรมจิตใจของตนให้ทราบเหตุผลตามเป็นจริงของมันแต่จิตจะยอมจันนนเห็นชัดในสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยจิตมีสมาธิจิตมีความสงบจึงจะเห็นชัดเือนได้ ปัญญาี่เห็นชัดจะตองละตองสัตความยึดถือต่างๆแต่จะเรียกว่าปัญญาส่วนความจํามาหรือเข้าใจผิวเผินถทำไม่อว่าปัญญาเพราะละที่เวิตปัญหาละความยึดถือของจิตไม่ผาถ้าเป็นปัญญาละขาดมาถึงนั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้เป็นอย่างนี้ เขอาใจตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอันไปอริยาาสัจของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่พระองค์กริมิพานไปไม่ได้หอบหิ้วหาบหามอริยาาสัจไปด้วยยังคงอยู่ในโลกผู้ประพฤติปัิบัิทิ่งมีสิที่จะรู้จะเข้าใจเรื่องอริยาาสัจ ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ถ้าเห็นเรื่องอริยสัจชัดเจนแล้วจิตนั้นจะไวาวุ่นในอัตภาพหลางกายอยู่ในสิ่งของทั่วโลกเพราะทาบชัดเข้าใจตามเป็นจริงในสิ่งอ น, นั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทางาศาสนา ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคล่ายิ่งกว่าสัตว์อื่นเพราะสัตว์อื่นเขาไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติเขาไม่มีปัญญาจิจร ะ, ะถอนกิเลสทางศาสนาเชื่อผับพระสัตว์คือสัตว์ในส่วนสัตว์ซื้อหมายถึงสัตว์นอกจากมนุษย์ไปส่วนมนุษย์นี้เป็นผับพระสัตว์ เป็นสัตว์ที่มีอำ น, นาจวาสนาที่จะต้องละยิ้งขาดธาตะตั้งนาต่าง้ตงตาปฏิบัตริรักษากายว่าใจาใจของตัวจริงจังเราทุกคนถ้าสวนวิจเรื่องของศาสนานำมาสใะคตามความจิตคิดคืองใจแล้วจะมีความสงบมีความสุขไม่เกิดทุกเกิดโทษ แต่ความลืมหลวงของทุกคนนั้นมันหลงมาเดือดกันมันจึงเหนืมาเกิดแสดงว่าจิตเหลือปัญหามันมีมาเดือดกันทุกคนน่ะแต่เหนือมันเป็น <c oughs> มาอย่างนั้นเมื่อมาเกิดเป็นนุษย์ได้สดับรับฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้ า, าโอวาทของท่านทีนี้นสอนเอาไว้ว่าอะไรเป็นอะไร ควรใส่คิดพิจรารณานละถอนจิงที่ชั่วจีตจิตจิตจิตที่คล้องในจิตในใจให้ตกออกไปร่างกายของเรานี้ที่เรายึดแล้วถือว่าเราหรือของพวกเรานั้นความจริงทางธรรมะหรือสื่มีปัญญาพิจารณาตามสภาวะธรรมยอมทราบความจริงของมัน ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟผสมกันเข้าเรียกว่าเราว่าสัก์แต่ความจริงเราเยยมเข้ามาใช้ระยะที่เรายังมีลมหายใจเป็อยู่เรามีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แต่สิ่งเหล่านี้เขาจะเป็นไปตามหน้าฉี่ของเขาคือมี เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็แปรปวนไปในถ้ำกลางแล้วก็จะแตกสลายไปในที่สุดไอ้ น, นี้บุคคลคูอใดจะมีอนนานาจ ร, รักษาสิ่งเหล่านี้ในโคงเส้นคงวาอยู่ได้ น, นันจะต้องแปรแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้นทั้งปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาอนาคตข้างหน้าก็ทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราทุกคน เป็นผู้ที่มีอายุพอสมควรเราได้อัตรภาพอันนี้มาขาเป็นเวลา ย, ยาวนานแล้ววันใดวันหนึ่งครั้งหน้าเขาจะทวงเอาไปเรายืมของเขามาใชา้ระยะที่เรามีชีวิตเป็นอยู่รีบขวัญขวายแต่ทำคุณงามความดีสิ่งใดที่เราต้องการปรารถนา เรื่องเลื่อนคนไการทำบําเพลนให้เห็นให้รู้ให้เสร็จเสียก่อนถี่เข้ามาทวงกลับถ้าหากยังไม่เสร็จธุลัหน้าผี่ของตนเขามาทวงคืนเจะเสียใจเหมือนกับเรายืมของคนอื่นเข้ามาใช้เราจะในได้ทําประโยชน์อะไรยืมมาแล้วก็มาเก็บเอาไว้ พอเขามาทวงคืนเราก็เสียใจว่ายังไม่ได้ใช้จะไม่ทำอะไรนี่ฉันใดเรื่องกัความเกิดของเราก็ทำลองยกกันพวกเราท่านเกิดมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟจิงเหล่านี้มันจะไปตามธรรมชาติของมันในวันหนึ่งครั้งหน้า คือมันจะแตกสลายไปตามหน้าขี่ของมันระยะที่เรายังมีกรรมสิทที่จะทำอะไรได้รีบเร่งควงขวายตามหน้าขี่ของเราทำอย่างไรเราจึงจะได้สารประโยชน์จากการเกิดของตนการอาศัยถัดขีดขั้นหาอันนี้จะต้องพิจรารนา นำขันทั้งห้าทำคุณงามคํนนามดีเติมความสามารถของตอนคนที่พิจิจรนาอย่างนี้เห็นว่าธาตุทั้งสี่หรือขันทั้งห้ามันจะต้องแตกหลายในวันหนึ่งครั้งหน้าแน่นอนเราเกิดมาอยากได้กำไรในชีวิตเราจะทำอย่างไร เพืที่ป็ น, นักศาสตร์ชลาหลักแหลมในเรื่องเหล่านี้ท่านก็เนี้สอนเอาไว้ให้การทาบำทําเพ็ญคุณความดีคุณความดีก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องกระทาบาเพ็ญเช่นทานการบริจาคท่านก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีอันหนึ่งเราบริจาค สิ่งของของเราให้แก่คนอื่นเขาที่อยากจนเส้นใจไหลรับโดยการส่งค้อส่งหาเขาได้ไปเท่ากัามีความดีใจยิ่หนหยั่แจ่มใสจะได้ไปช้าไปเร็จนสุดแก่เขาแต่ถ้าให้คือทีนีคุณนักทำให้โดยการบูชา ถึงท่านจะมปนปาฏิหาระในอดจนอะไรก็ให้บูชาคุณก็ท่านนี่เรียวกว่าให้เดือกการบูชาให้เดือกการส่งเคราะห์ อ, อย่างหนึง่งการให้ทานเป็นบุญเป็นกุศลแต่บุคคลผู้ให้แต่คนตระหี่เนี้ยเนี่ยหรือคนหนึ่งที่ไม่ได้เจรณาคนใจแคบไม่ทราบว่าผลของการให้ทานเป็นอย่างไรให้ไปเท่าไรไปหมดไปเท่านั้น ไม่เห็นได้อะไรตอบแทนความจริงได้เวลาให้เราก็ได้ให้เราระลึกถึงการให้ของตัวที่เรามีอํานาจวาชนะไม่ยอมเสียสละสงฆ์ขอสงหาคนอื่นจิตใจของเราก็ยิ่งแย่แยมใสจิตใจของเราก็เบิกบานไม่เหมือนเขาเขมยออกไปถึงของเรล่านี้คุณค่าแต่เรายึดถือของของเรา เขาขโมยเอาไปโดยไม่ไดบอกไม่ได้ขอเราเสียใจแต่เราให้เดืยดจัตทาให้ทานไปหนึ่งเสียใจอย่างนั้นท่านที่เจรณาเรื่องของศาสนาที่จะยื่งยงคงมาเรื่ององทานเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งเพราะนักปฏิบัติท่านก็มีชีวิตอยู่ได้โดยการให้ทานของคนอื่น พระจากพระสงฆ์รักบวชท่านมีพระวินในจะต้อพิจาอะไรไปตาม อ, อใใําเภยใจไหนได้พระวินัยหักหมเอาไว้ชีวิตของท่านอาศัยคนอื่นในปัจจัยทั้งสี่ดูเครื่องนุ่งเครื่องห่งงหมท่านจะไปทําไร่ทำเสวนเองก็ทําไม่ได้ผิดพระวิในจะไปค้าขายหรือทำหลายประจิต ก, การบ้านเมืองก็ไม่ถูกอีก นักบวชได้มาถ้าผ่ อ, อนสบายต่างๆอาศัยคนอื่นก็ให้ที่อยู่ที่อาศัยเดนาสนะที่พักาคาก็ทำนองเดียกกันอาหารการกอบฉันก็คนอื่นอีกให้สิงเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตเมว่านักบวชหรือเป็นคาลว่าควรที่จะมีอาหาร มีเพีองหนึ่งห่มจะเป็นทุกข์จะลำ บ, บากถึงกับตายก็เป็นได้แต่นั้นสุติไียให้ริ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องบรรงันลุงศาสนาให้ยืนโยงคงมาเราคิดถึงการให้ทานด่านวัตถุอย่างนั้นสุติได้ให้ไปก็มีความถูกใจ ผู้รับก็มีความสลุกใจเพราะผู้ให้ให้ด้วยศรัทธาผู้รับก็รับด้วยความดีใจความเต็มใจแลาไม่เป็นทุกข์เป็นททั้งผู้ให้ทั้งผู้รับมีแต่ความสลุกความสบายคนที่ได้รับอนุขคราะจากคนอื่นก็เห็นดีเห็นคุณของเขาคนที่ได้ให้ แตจะ้นอื่นว่เห็นบุญเห็นคุณว่าเรามีอํานาจวัสนาและสงฆ์ขอสองหาคนนั้นคนนี้มีความยินดีมีความหยิมแยมแจ่มใสในกิตในใจนี่คืออา น, นิสงส์ของทานในปัจจุบันคนจี่ยอมเสียสละแต่ทําบุญเ้น่อทานมากๆสงฆ์ขอสองหาคนนั้นคนนี้ก็ยอมมีเรียนไยถ่ไปแถ่ทานที่ใดเขาก็รักให้ เอมดูเชื่อเชื่ออยากจะให้อยู่อยากจะให้ไปเพราะเขาได้รับบุญคุณจากเราคนที่เป็นนักเลยเคยป้นเคยจี่เคยข่าเคยจี้แต่เมื่อได้รับตองข้อตรงหาจากผู้ใดเขาจะทำไม่ได้เพราะเกรงใจ นี่คืออั น, นิสงส์ปัจจุบันถ้าไม่เกิดเสน่หมีคนชอบคนรักไม่เป็นเดินเป็นภยัยและอั น, นิสงส์ต่อไปในชาติหน้าท่านก็ทกีว่าการให้ทานนี้เป็นบันไดสิเจนำคนให้ไปสู่สวรรค์ทานัง สักข้าศสตรูปานังที่ฐานเป็นบันไดให้ไปสู่สวรรค์ได้สวรรค์คือสุขติมีความสุขความสบายแต่อยู่ในขันของกามารคนทั่วไปเขาวัดเขาวาปาตถนาะตายไปแล้วอยากจะไปเกิดสวรรค์เป็นส่วนใหญ่เพราะในสวรรค์ น, นั้นตำรับําลาก่าวาว่าเป็นที่สุข กายสบายใจไม่ได้ทำไรทำนาไม่ได้ค้าขายทำหลักเศรรษกิจการอะไรของทุกสิ่งทุกอย่างมีสมบูรณ์ปรารถนาอะไรของนั้นเกิดขึ้นเป็นทิศสมบัติที่ท่านกล่าวเอาไว้ในเรื่องของสวรรค์คนจึงปาธถนาอยากไปกันเพราะมีความสุขกว่ามนุษย์มาก แต่คนสมัยปัจจุบันไม่เคยเชื่อสำหรับตงลายอย่างนั้นเรามาถือไปสวรรค์ปัจจุบันคนเราทุกคนเกิดมาปรารถนาความสุขปรารถนาสมบัติปรารถนารูปหลางใจงดงามไม่มีโรคภัรเบียดเบียนปรารถนากันอย่างนั้นแต่ก็ไม่สมปรารถนาให้ทุกลายไป บางคนทางทั้งสี่ไม่อยากอยากจนเข้มใจแต่ก็จำเจนอดเจนทางทั้งสีเขาเหล่านั้นแสวงหาอยากได้ ย, ยิ่งยุ่มอยู่ทุกทการ ท, ทุกเวลาแต่ก็หาไม่ได้ตามปรารถนาของตัวนี่คือสวรรค์ของมนุษย์นั้นหมายถึงว่า คนที่มีอำนาจวาสนาเกิดมาไม่เหมือนกันคนที่มีบุญได้ไปเกิดสวรรค์เคยเกิดในตระกูลที่ดีมีสติตัญญาแสวงหาทรัพย์ง่ายสะดวกสบายแต่คนที่ไม่มีบุญวาสนาไม่เคยทำบุญพุ้นทานไว้ก่อน ถึงปลาธนาอยากจะไปเกิดในตระกูลที่ดีมีสมบัตินั่นไปเกิดในได้เหมือ น, นกันกับคนไม่มีเงินอยากจะขึข้นขึ้นยืมไปกับเขาจะ ม, มีข้าสื้ให้อยากจะไปรถยนต์้องเดินดิบแดดร้อนเห็ดเ น, นื่ยเหนืเอเหนือยท่าไรก็ไปลำบากอยากเย็นทางกายทางใจหนึ่งคือคนที่หมีบุม มีเสียงสนาดหนุ่ เ, นนนนเขาทั้งชายดึกเขาอยากติดอยากจะมาแต่ถูกเขาก็เป็นใจไม่ได้บางคนเกิดมาก่ออวัยวะ่ามือนปักหอบทั้ง่านดีกเขาไม่ตาถนัดดีดามันด่าตัวตาถนาแต่ยืนทำทังเขาสือทำ